มีนักทำหนังคนหนึ่งนะเมื่อสักมีชื่อมาเมื่อัห้าสิบปีก่อนนะชื่อเปียโพสเตอร์นะเขาทาหนังที่มีคุณภาพมากนะก่อนที่เขาจะทำหนังเป็นผู้กมกับเนี่ยเขาเคยเป็นศิลปินเรือว่าช่างนะวาดภาพโปสเตอร์โฆษณาหนังนะสมัยก่อนหนังเนี่ยมันก็ต้องมี การโฆษณานะก็ต้องมีการติดป้ายนะใช้คนวาดเอาปปเบบอสตอรี่เขาเล่าว่ามีคราวหนึ่งเขาก็ชวนเพื่อนสองคนนะคนหนึ่งชื่อเกษียนเนี่ยไปกินในร้านอาหารก็เห็นคนเมานะอยู่ในร้านเดียวกันเพื่อนที่ชื่อเกษียณก็เลยโพล่งขึ้นมาว่าเนี่ย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 มันเป็นเรื่องของคนชั้นสูงนะอ่ากินเบียร์ได้ไม่นานนะจากขวดนึงก็กลายเป็นสองขวดสามขวดไหนสุก็กินเหล้ า, ากินเบียร์ในะวันละห้าขวดต็ดเบียร์ไปแล้วนะวันหนึ่งเนี่ยนะขณะที่ทำงานด้วยกันก็เสียนี้ก็ไปสั่งให้เด็กเนี่ยไปซื้อเหล้ามาเบียร์ก็เลยทวงขึ้นมาเลยเอา้าไหนว่าเหล้าเป็นของสะถุน แล้วทําไมกินเหล้าอ่ะกระเสียงก็บอกว่านายต้องมีเหตุผลหน่อยนะอาชีพยอย่างเราเนี่ยนะรายได้เนี่ยมันจะมากสักเท่าไหร่กันนะอทุกวันนี้กินเบียร์วันละห้าขวดเนี่ยนะมันจะพอเล้วหมายถึงว่าเงินเนี่ยที่ได้มันจะพอเลยสู้เหล้าไม่ได้นะ่เหล้านี่แป๊กเดียวนี่อยู่เลยนะ การที่กินห้าขวดนะการทกินเบียร์ห้าขวดก็มากินเหล้าเป๊กเดียวเนี่ยนี่เป็นข้ออังเขาและสุดท้ายเนี่ยจากเป๊กเดียวนะก็กลายเป็นขวดแล้วในที่สุดเสียงก็กลายเป็นคนติดเหล้าแล้วก็ตายเพราะเหล้าเนีอนี่น่าคิดนะคนที่เคยพูดด่าหรือสบประมาทคนเมาว่าเนี่ยโง่ชิดหายเลยเนะย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 นะเขาก็ดูถูกว่าไอ้ผู้นี้มันโง่นะใคยๆจะบอกว่าเนี่ยนะฉันเก่งฉันแน่เนี่ยฉันฉลาดเล่านี่เอาฉันไม่ได้หรอกนะไอ้ความประมาทนั่แหละนะที่มันนะเป็นต้นเหตุนี่ทำให้เขาเนี่ยนะกลายเป็นติดเล่าในที่สุดเนะพราะคนเราถ้าประมาทแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ระวังตัว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 แต่ปรากฏว่าอยู่ไปไม่นานนะไม่นานนี่ก็คงอาจจะหลายปีนะท่านก็ศึกศึกไปท่ศึกไปเนี่ยปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่ปีก็ปกรากฏว่ากลายเป็นคนที่ติดเหล้านะมันสวิงเลยนะจากคนที่เคล่้วินัยเนี่ยแม้กระทั่งข้อวัดเล็กๆในน้อยก็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 ของกินตามกองขยะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็โดนรถชนตายนะเป็นการจบนะชีวิตที่น่ า, นาอนาถมากนะจากคนที่เคร่งวิ น, นัยนะซึ่งก็คงจะลึกๆ ก, ก็คงจะดูถูกพวกที่กินเหล้าด้วยซ้ำตอนที่เป็นพระเอาไอ้พวกนี้เนี่ยมันนะมันโงนะ่มันทำร้ายตัวเอง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 เรารู้จักใช้มันนะมันเกิดประโยชน์นะแต่ถ้ามันกลายมาเป็นนายเราเมื่อไหร่นะี่เราแย่เลยมันจะทำให้เราเนี่ยนะจมอยู่ในความทุกข์มากขึ้นงั้นะเวลาใครนะเวลาเราเจอคนที่เข า, าเศรษติดนะจะเป็นเหล้าหรือยาก็ตามเนี่ยเมื่อเห็นคนเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะ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 เราก็จะนะไม่หลงพลัดเข้าไปในอารมณ์ง่ายๆที่จริงสติกับความไม่ประมานนี่นะความหมายเดียวกันนะคนที่มีสติคือคนที่ไม่ประมานคนที่ไม่มีสติคือคนที่ประมาทนะและถ้าประมานแล้วเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราพลัดเข้าไปในอบายในความเสื่อมได้อย่างกรณีของกเกษียนเนี่ย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 และสุดท้ายกลายเป็นบ้าเนี่ยต้องไปต้องไปขอทานนะกระเซาะกระเซิงในในตลาดเนี่ยตลาดที่ตัวเองเคยประกาศว่ากูต่อไปนี้กูรวยแล้วเว้ยกูได้รถกูถูกลัตเตอรี่วันที่หนึ่งเข้า <c oughs> ใจว่าตอนที่แกฉีกรัตเตอรี่เนี่ยตอนคงจะคิดว่าเนี่ยต่อไปนี้กูไม่จนแล้วกูไม่เป็นหนี้แล้วนะลาก่อนความจนนะลาก่อนความลําบากไอ้ตอนที่คิดแบบนี้นะมันก็ฉีกรัตเตอรี่ไปเลย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 กลายเป็นคนติดเหล้าเมาหยำเปรนะแล้วก็ตายเพราะนะถูกรถชนเนื่องจากเ ม, มาไมยอันนี้ดูเหมือนตรงข้ามนะแต่ที่จริงมันก็เป็นเหตุผลสืบเนื่องกันนะคนเราถ้าสุดตรงทางหนึ่งมันก็จะสุดตรงไปอีกทางหนึ่งได้ง่ายจากดีใจมากๆดีใจสุดๆก็กลายเป็นเสียใจสุดๆนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีสตินะแม้จะมีอารมณ์ดีใจนะเราก็ไม่